อ่ะประวัตจบวันนี้มีงานศพอยู่งานหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ออกไปร่วมกับเขาหรอกภายในวัดก็ไปกันหลายรูปหลวงพ่อก็ไปในสนทนากันเมื่อเช้ากับหลวงพ่อ <c oughs> คนตาย ทุลนทุไลพอสมควรถ้าเป็นเราเวลาถึงวินาทีสุดท้ายใจฉกาจาจะทำยังไงกันมันจะเป็นความสง่างามอาหารตก ด, ยะกะดัยคร่กระโจนหรือว่ามันสับสน โลกหลังความตายทิศทางมันจะไปยังไงตรงนี้แหละถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้มันก็จะเป็นอย่างคนที่ลงโลกหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายไม่รู้จะไปทิศทางไหนกัน กอนถึงวันนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจนี่แหละที่เรามาฝึกมหาหัดกันเอาไปใช้ครั้งเดียวก็พอแล้วคุมค่าลมันก็คนซ้อมมวยลายยกเล่นกีฬาฟุตบอลว่ายน้ำก็ตามวิ่งรอยเมตรออกซ้อม หลายรอบตัวลาแข่งแป๊บเดียวแพ้ชนะไปเลยการฝึกหัดตนเหมือนจะเป็นอย่างนั้นซ้อมแล้วซ้อมอีกฝึกแล้วฝึกอีกหัดกายหัดใจใจนมันชำนาญในทิศทางของกายของจิต มันอาจจะมีประสบการณ์หรือว่าเรียกว่าอุปสรรครูปอุปกรณ์ก็ได้ในอาการต่างๆที่ปรากฏขณะปฏิบัติเช่นความง่วงเหงาเหานอนหรือว่านิสัยความเคยชินเก่าๆชอบคิดชอบทำชอบพูดเสพติดอะไรมายึดติดอะไรมา มันจะไหลไปเอียงไปรองเก่าออรอตะวนรู้แล้วรู้อีกรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันไม่มีบารมีก็ไม่เกิดแต่ผู้มีปกติเพ่งพินิดก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมาน ดูที่กายก็จะเห็นกายของเราเนะี่ยเรียกว่าขันขันห้ามันเป็นมานขันธรรมานเจ็บปวดมีเพื่อนเราบางคนยกมือยังคอเคดเลยเห็นเดินตัวแข็งไปกินข้าว หันซ้ายหันขวาก็ไม่ได้เลยเป็นอรหันเลยหันไม่ได้ปฏิบัติไม่กี่วันนะอะระหันเลยหันไม่ได้เดินคอแข็งทื่อก็เรียกว่าขันธมารได้เจอทุกคนเจ็บไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนท้องเสียเราก็ไม่ยอมท่อ ปวดหลังปวดเอวหัวไ ห, หลใครย้อยมันเป็นก้อนทุบอะเราเห็นแล้ว เ, เห็นอีกเออมันทุกแทๆเลยนึกว่ามันสุกดูไปดูมาเอา้ามันก็ใชอยู่แต่ว่า มันลดลงมันผ่านทุกมันถึงเห็นความเป็นปกติสุขธรรมชาติเดิมๆของมันอาการก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าจิตวิธีคิดมันเปลี่ยนไปในทัศนะ์นัในมองทียานของปัญญามันทำงานมองเปลี่ยนไปร่างกายเคยติดอะไรมาเป็นเทพบุตรเ ท, ทิดาตอนนี้มานั่งปฏิบัติ เป็นเทวดาตกสวรรค์นางฟ้าตกสวรรค์นางยกไม้ยกมือ ย, ย้งก็กัดัแมลงก็ตอมร้อนก็ร้อนบนสวรรค์มันไม่มีฝนโลภนรสปฏิบัติไปปฎิบอดนามีฝนตกแล้วจะไปวิ่งได้ยังไงมันต้องวิ่งกันหน่อยนะฝนมันมาเทวดาปฐมานนะั่นแะ เกีฝนก็ไม่ได้เนะเาะมันยังไม่ดันตกแลยแ่ตั้งเขามาป้อแปะ ป, ะ ป, ะปะอแปะวิ่งตับแลบเลย เ, เห็นไหมเทวปุตตมาน เ, าเคยสบาย เ, าเคยนั่งเคยเดินเคยยืนเคยนอนในที่สะดวกพรกราการที่ มันไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยรู้ไม่ทันมันกิเลสมาลเราก็ยกมือส4บสี่จังหวะความหลงก็แสดงตัวปฏิฆาลาคาเป็นความโลภเป็นความหลง เป็นความโกรธแล้วรอบโกรธหลงหรูอว่าหลงโกรธรอบแล้วแต่มันจะเป็นปฏิยาที่บอกถึงตัวกิเลสถ้าทำตามเขาก็ได้แต้มไปแต่เราเมื่องรู้ตัวรู้สึกตัวมีสติสติปัญญาก็จเจริญงอกงาม มันก็จะออกดอกออกผลแหลนะเป็นมรรคผลนิพพานนิพพานก็คือปกติใจมันปกตินิพพานไม่ใช่นิพพานหลังตายตายวันละได้นิพพานไม่ใช่มันขนาดนี้เลยที่เรารู้เนื้อรู้ตัวจิตปกตินิพพานน้อยๆนิพพานบ่อยๆจนชินขันธมาร <c oughs> แถวพุตามานกิเลสมานอภิษสงขารมานมันก็จะเป็นอารมณ์เป็นอาการของจิตเวลาคิดเวลาปรุงเวลาแต่งมากมายเหลือเกินบางทีก็เป็นปุญญาที่สังขารอภุญญาที่สังขารคิดเป็นบุญ คิดไม่เป็นบุญมันก็จะมีเกิดขึ้นมาทียิบบางทีก็นึกถึงความดีของคนอื่นบางทีก็เห็ น, นสถานที่เสนาสะนะปัจจัยสี่ความเป็นอยู่ของชุมชนวัดป่าสกโตก็อยากจะส่งเรสริมสนับส น, นุนคิดจะทำนั่นทำนี่ทำโน้น มันก็เล ย, เลยความรู้สึกตัวการเกินการไหวมันก็ดีอยู่แต่ว่าชั่วโมงกรรมฐานนะต้องเป็นชั่วโมงที่เรารู้เท่ารู้ทันความคิดการปรุงกันแต่งไม่ว่าจะเป็นปุญญาที่สังขารอาปุญญาที่สังขารให้มันอยู่เหนือนั้นไปอีกนะก็คือ อาการที่มันเหนือดีเหนือชั่วเหนือบนเหนือบากรู้เฉยเฉยรู้ซื่อเป็นการสัมผัสรู้การเกินการไหวของกายเรากตั้งกรรมาฐานไว้ตรงนีเน้เกิดความคิดจะได้ <c oughs> รู้แล้ววันนี้คือตัวคิดนมันจะได้ไม่ต้องคิดรู้ธรรมะมันเป็นการสัมผัสรู้ธรรมะอันนี้มันเป็นของจริง มัจจุมานมัจจุมานคือมันกลัวความกลัวทั้งหลายอายชั่วกลัวบาปกลัวอะไรก็ตามมันโยไม่หาตัวมัจจุมานหมดเึ้คือชื่อว่ากลัวแล้วโยไม่หาความตายหมดเลยไม่ั้องอายชั่วกลัวบาปอันนี้เป็นลนักษณะของเทวธรร ม, มก็จะเทแแลกให้อบอกว่าดี ถ้าบอกว่าไม่ดีก็จะทำให้มันดีสุดๆเปลี่ยนวิธีคิดนะมุมมองจนมองว่าดีแต่ถ้าเรามีกรรมฐานนะควรจะมองไงก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องเราแต่เรารู้เราในสำกัญบอกย้อนกลับมาแล้ว ม, มันเป็นยังไงติดบนติดดีมันจะเอาอยู่แค่นั้นเรื่องมันก็ไม่พัฒนา ถ้าจะทำดีมันก็ทําไปวางไป <c oughs> ทําดีวางดี <c oughs> มันทําเป็นแค่อาการกริยาเฉยๆ <c oughs> ทำเป็นอาการกริยาทําเฉยๆแต่ก็ทําอยู่ทําก็เฉยอยู่ <c oughs> มัจจุมาล <c oughs> นี่ไม่มีกลัวไหมกลัวงูกลัวผี กลัวกลัวจะเหลือไม่เท่าเก่านั่งนานๆขามจะหลดุดเจ็บใครไม่สบายป่วยมัน ก, กลัวขึ้นมาเค <c oughs> ยพิจูดเหมือนกันไอ้กลัวกลัวกลัวกลัวเนะี่ยไม่จะกลัวสิ่งไหนก็โดดใส่สิ่งนั้นเลยไอ้ที่ว่ากลัวกลัวหายไปเลย <c oughs> เก็เลยเอามานมาเป็นบรารมีมนันไม่มีบรารมีไม่เกิดขณะปฏิบัติอาการทั่วาการไม่ว่ า, ากายมันแสดงออกการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะนะความรู้สึกมิญญาณกา ย, ย ญ, ญาณมิญยานหรือว่าเวทนาสุขทุกข์ที่แสดงออกก็รวมๆยำๆเรียกว่าอาการมันง่ายดี ถาไปคุณให้ค่ามันมากมันจะใหญ่มันจะเขื่องก็ต้องรู้เฉยๆดูมันเฉยๆไม่มีการให้ค่าอาการนี้ดีจังนั่งแล้วดีจังั่งไปสักพักนึงไม่ดีเลยไม่ไหวแล้วเปลี่ยนโอ้เข้าท่ารู้สึกสบาย แต่พอเข้าจริงๆก็อยู่นานเองไม่ได้ยี่บทใดก็ตาม <c oughs> เราก็เลยเห็นความจริงโอ้มันก็อยู่ไม่ได้ทนไม่ได้สักอายุบทหนึ่งมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเห็นเลยเอาสารละอะไรมันได้ที่ไหนมึงเลยวางมันก็ไว้แค่นี้หละกาย จิตใจก็เหมือนกันแสดงออกมากมายแล้วกัน<ม>การปรุงการแต่งต่างๆเราก็เลยไม่ย่อท้อนะมีความเพียรเพียรที่จะรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลยอาการอะไรจะเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้แล้ว<ม>แต่รู้แล้วเราก็รู้สึกตัวอยู่ ท้ายสุก็ทนต่อ ก, การพิสูจน์ไม่ได้ mm hmm. เพราะก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนต้อมาพิสูจน์อะไร mm hmm. ถ, ถ้าหลงเผลอเข้าไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวกับการเคลื่อนการไหวตรงนี้ปัญหาก็กลายเป็นเรื่องของปู่ช น, น, น, น mm hmm. ที่หลงโลกหลงกายมีกายหลงกายมีใจหลงใจท้ายสุดจะพาะหลงอะไรามากมายเลือกินตาหูจมูกลิ้นรวมรสกลิ่นเสียงต่างๆ ที่ผ่านมาเราเคยมีกําลัง <c oughs> เช่นกําลังคืนลูกคนมีลูกนี่จะมีพลัง <c oughs> ก่อนไม่มีลูกอาจจะติดเล่าติดบุหรีทำตัวเสพเ พ, เพ่เพบ่อยเเเกินแต่พอมีลูกลมันยุติปาบุหรีทิ้งเลยบางคนพอเห็นหน้าลูกแล้วลูกจะดีมันก็ขึ้นอยู่ที่เราแล้ว ถ้าเรายัางทำอยู่ลูกก็กตามกำลังคืนลูกพ่อแม่ทุกคนลูกจะหิวไม่ได้จริงไหมหัวอกของพ่อของแม่ต้องหายลูกอิ่มถูกไหมพ่อแม่หิวความดีของลูกอยู่เสมอเป็นเปรตปราตูตปาชีวิตเปรตพุทธมามหาอนโลกนลกขมใหญ่มากเอเวจี ลูกต้องทําดีแล้ว น, นะ <Yeah. S 1> คิดดีพูดดีทําดี <Yeah. S 1> มันก็ไม่อิ่มอยู่ดี <Yeah. S 1> จนตายจาก็ไม่แย่งนุ่นนะ <Yeah. S 1> กำลังคือลูก <Yeah. S 1> แม่พ่อจะอิ่มไม่ได้ถ้าลูกหิว <Yeah. S 1> ลูกต้องกินก่อนต้องอิ่มก่อน <Yeah. S 1> กำลังคือรูปกํา <Yeah. S 1> ลังคือรูป ก, ก็คือ ในช่วงที่มันทำงานไม่เหนื่อยอาบน้ำไม่หนาวท่องเที่ยวโลกกว้างประเจอโลกกว้างปีกกาขาแข็งเพื่อลำแข้งตัวเองะจนภยัยกำลังคือรูปไปไหนไม่เกรงใจใครมันทั้งหมดเอาตัวรลอดแดดฝนจะตกแดดจะออกจะเมื่อจะข่ำมันพร้อมรวย หลายคนเคยผ่านใบแบบนี้กันไหมนะกำลังคือรูปมันมีกำลังจริงๆริใบหนุ่มใบสาวเรียกว่าัยปรมาจันหนึ่งถึงสามสิบปีพร้อมลุยศึกษาเต็มที่โลกกว้างชีวิตเริ่มต้นที่สี่สิบเดี๋ยวสี่สิบเราค่อยว่ากันไหมเรียนถูก็เรียนเรียนผิดก็เรีย น, ยนแต่ท้ายสุดมาเลือกเป็นมันก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำอะไรกันรบก็ดูหน้าดูหลังกําลังคือซับหลายคนมีกําลังคือซับ ก, ก็คือมีเงินความรู้อาจจะไม่มีนะถ้าทํางานจะมีความสําเร็จธุรกิจร้อยล้านพันล้านแอบแฝงอาตีความรู้ไม่มีแต่ว่าใช้เงินดันอะไรเกิดขึ้นมาใช้เงิน เปลี่ยนายกลายดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกมีไหมคนแบบนี้มีไหมไปไหนนี่พูดจาเสียงดังเออะอวยวายไม่รู้จักโูหรือไงไม่รู้จักอ้วเรือไงอ้วเป็นใครไม่รู้เรือไงเอากันไปตบหน้าคนเล่ น, น, นกําลังคือักมันก็เป็นอย่างเนี้ยเยอะ ไ, ไม่ต้องเรียนจบอะไรไท้ายสุดก็คือ ดินลนตปนาตัวรอดเต็มกันที้สุดก็คือกำลังคือศีลศีลคือความเป็นปกตินี่มีพลังเยอะมีพลังเยอะกำลังคือญาติกำลังคือญาติพี่น้องไปไหนเราก็มีญาติพี่น้องเราอบอุ้น ออตมาขึ้นมาหลังเขาที่เนี่ยวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2542ตอนที่บวชหลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านทำตัวเป็นญาติผู้ใหญ่โอ้ oh, มาๆมามาบ้านเรามาบ้านเรา mm. เพิ่งเห็นเงินบันแรกเลยนะมาบ้านเรามาบ้านเรา จดหมายเอาน้ำบัตรให้ันนั้นบอกว่าเคยเจอที่เชียงใหม่เมื่อปี2527ที่เชียงใหม่ก็ตอนนี้จะมาบวชก็แล้วแต่หลวงพ่อจะบวชใหวอะไรก็แล้วแต่นะสะดวกตอนไหนก็ได้โอ้ยนึกว่าใครญาติเราญาติเรานี่เงญาติเรานี่งท่านนับญาติด้วยเราฟังแล้วเป็นไง โอ้ยออมารู้สึกปลอดภัยมาที่นรู้สึกปลอดภัยมันชื่นใจใช่ไหมนี่เรากําลังคือญาติรไปไหนก็ตามมีญาติเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ว่าราชการเป็นสอสอเป็นสอจอเป็นอธิบดีเป็นบรรกทรวงวไปไหนมันก็พร้อมคุยอวดนี่เรากําลังคือญาติ สู้กำลังคือศีลไม่ได้เลย mm. กำลังคือศีลเนี่ย mm. แต่กา ล, ลังคือศีลครับมันก็แพ้อีกมีศีลก็ต้องมีธรรมไม่ใช่มีศีลอย่างเดียวมีศีลก็ต้องมีธรรมด้วย mm. พระจันโตพระสุริโยพลังสมณะปรมนาพลังเวลาธรรมุทัตจักราติพละมิติโยพลังดังนั้นแนหะทางพระจันทร์พระอาทิตย์ พลังสมณพราม์พลังของศีลสมณานิมเป็นพลังคือศีลคือความเป็นปกติพลังชายฝั่งทะเลนิมมหาศาลนเป็นพลังของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็แพพลังของสตรีเพราะฉะนั้นการแวิธรรมเนี่ยมักจะมีผู้หญิงสตรี ป, ปฏิบัติเยอะจริงๆเยอะ ตั้งใจใส่ใจปฏิบัติ <Yeah. S 1> เราเห็นว่าเออที่ไหนที่ไหนหนักได้ยกสมัยองค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้า mm hmm. นางสุชาดาผู้หญิงเอาข้าวมาถวาย mm hmm. ได้บรรลุ mm hmm. ผู้ชายในจุนทะเอาข้าวมาถวายเหมือนกันเอาอาหารมาถวายสุกรบรนทวะ mm hmm. ผู้ชายมาถวายกินแล้วตายเลย ฌานแล้วตายอาหารมือสุดตายของพระองค์สุกรบรทวะแต่ก็ถือว่าอาหารสองชนิดนีมีอนนี้สองเท่ากันก็คือพระองค์เห็นจิตเห็นใจของนายชนท้าที่ให้ด้วยใจเป็นบุญไม่ไดเจตนาที่จะฆ่าแต่ว่าบังเอิญว่าอาหารชนิดนี้เกเนื้อเหตุนชนิดหนึ่งก็ตีความว่าอย่างนั้นแต่จริงๆก็คือยังไม่รู้อะไรกันแน่สุกรบนรทวะ ก็คาดว่าเนื้อเห็ดะนิดหนึ่งที่คล้ายเนื้อหมูสุกรแขกไม่ได้กินหมูก็คิดว่าไม่ใช่เนื้อหมูเพราะผู้ชายในเวลาทำบุญจะสังเกตได้ในหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกันป่วยหนักเริ่มต้นทำบุญกันหรือว่าใกล้ตายแล้วถึงมาใส่บาตรกัน พักหลายๆแล้วแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเส ม, สมเอต้นเสมอปลายดูแลกันไปก็จึงนีบอกเหมือนกันเมื่อลงมือปฏิบัติได้ยินได้ฟังเหมือนกันขณะปู่ก็ได้ยินเหมือนกันสวดมนต์ตามวัดกันมาด้วยกันลงมือกระทาก็ ส, สิ่งเดียวกั น, นเนี่ยนะเทีมกัน ก, ก็คือการวางจิตวางใจของเรานะ ความเป็นกลางสติปัญญานะของแต่ละคนอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของใครของเรานะแต่ละคนก็ต้องมาดูแลตัวเองสังเกตตัวเองนะเราก็เห็นลองเห็นรอยนะว่าตัวกายเป็นอย่างนี้ตัวจิตเป็นอย่างนี้นะกา ย, ยาสังขารจิตต่สังขาร บางทีมันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นมาขนาดปฏิบัติเบาโฟตัวลอยอิ่มปราบเพิ่มใจน้ำตาไหลมีไหมน้ำตาซึมกลุ่มนี้เราทนปิติปิติปฏิบัติแล้วจะเกิดปิติขึ้นมา เป็นอารมณ์บุญฝ่ายบวกฝ่ายกุศลแล้วทามันก็จะชวนทมละทีเนี้ยแต่ตัวเบามันก็ไม่อยากอยู่ละกันเนี้ยระฆังดังเด็กก็ไม่สนใจะระฆังหิวข้าวก็ไม่หินู้ถึงเวลากินข้าวก็ไม่อยากกินเกินน้ำลายก็อร่อยน้ำลายเราเนหวานอร่อยรู้สึกมีพลังอิ่มทิพย์นะนะอิ่มทิพย์ มันก็มีเหมือนกันเคยรู้จักเอาไว้นะมันเป็นอารมณ์ที่ชวนทำชวนกระยัน <Yeah. S 2> เราต้องรู้จักมันแต่ว่าทุกๆอารมณ์บางทีมันเกิดเกิดดับดับหมดเลย <Yeah. S 2> ไปยึดไปถือไว้ไม่ได้ <Yeah. S 2> เอามาได้ลองเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมานะหลายกลางหลายหนปฏิบัติ เราตั้งใจใส่ใจเรียนรู้ฝึกอัดเต็มที่นะบวชทั้งทีใส่เครื่องแบบนี้แล้วนะนักเรียนในเครื่องแบบวิชาอะไรที่ควรจะเลือกนะเรก็เรียนรูนะ้เพื่อให้มันเรียนจบเป็นนะเราตั้งใจใส่ใจพอสมควรนะไม่สนใจนะนะระบายไม่สนใจใครมืนทั้งนั้นต้นใจนะระบาเออการเคลื่อนกันไหว บางที่ก็บอกว่าถ้าไม่เคลื่อนไหวครบ7ปีนะไม่ต้องมานะเข้าวัด7วัน3วัน3เดือนอะไรไม่ต้องเอา7ปีเลยเดือนนี้ก็ยังมีนะทางชายแดนไทยลาจังหวัดเลยดูว่าขึ้นขึ้นไปทางอุดรธา น, นีมีคุณต้องปฏิบัติให้ได้7วันก็มีเดิมเอกมมีติงนิ่ง ติงนิ่งติงนิ่งติงนิ่งติงนิ่งบริกรรมไปด้วยบ่นไปด้วยนะติงก็ไหวนะนิ่งก็หยุดไหวหยุดไหวหยุดบริกรรมไปด้วยหลวงปู่เทียนท่านก็เคยฝึกแบบนั้นมาจากการเคยได้ยินได้อ่านมาได้ฟังจากหูจากตัวหลวงปู่เทียนที่มีชีวิตจริงๆริ จากสื่อหลวงพ่อเทียนเนี่ยวันแรกๆมาปริวัติก็ตั้งใจอะเพราะว่าโกรธมีความโกรธภรรยาเจ้าของอะจริงหลวงปู่เทียนชื่อพันธุ์อินทผิวแต่ว่าคนบางเลยถ้าใครมีลูกชายก็ยาวชื่อของลูกชายคนโตเป็นชื่อพ่อชื่อแม่นพ่อเทียนแม่เทียน ท่านเป็นนักบุญปรนะวัอของท่านเป็นข้าบดีอยู่ในสมัยนั้นยุคนั้นมีเรือกลไฟก็เอาพระนะนั่งเรือข้ามฝั่งก็คุยสนทนารามกันแล้วใจบุญเป็นผู้ใหญ่บ้านทนะอดกระถินวันนั้นนะห้ากองลองดูนะใครปอดกระถินนะกองเดียวก็ปวดหัวตายแล้วนะอันนี้ห้ากอง ก็จ้างหมอลำมาบอกแม่เทียนใชใจ่ายเงินค่าหมอลำหน่อยเจ้าดูแลเรื่องเงินนะส่วนค่อยนี่จะแต่งชุดขาวนั่งจุวยรับศินแปดรับแขกอยู่กับบ้านส่วนแม่เทียนะคะใจ่ายจทั้งหมดจ่ายก็ตกลงกันแล้วหลวงพ่เทียนก็นั่งจุวยรับแขกอยู่เมียมาถามนี่ค่าหมอลำจะจ่ายยังไง ปดขึ้นมาเลยอเนะระดับมืออาชีพยังมาถามกันเรื่องแบบนี้นิ่งเลือกนิ่งไม่พูดสักคำแต่ไม่พอใจอยู่ข้างในตกเย็นมากินข้าวกัน <c oughs> แม่เทียนก็ถามพ่อเทียนว่ากดค่อยแมนบอ วันนี้โกรธคอยแมนบอกเอาเขแมนนั่นแล้ว <Yeah. S 1> ก็บอกให้ดูแลเรื่องเองินเรื่องทองเรามาถามทำไม <Yeah. S 1> แม่เทียนก็เลยย้อนกลับทําบุญไปนระกแล้วนะวันนี้มันก็ได้ไปสวรรค์นั่นหละหรอกทาบุญแล้วโกรธตอนกระเทียแล้วโกรธ <Yeah. S 1> นั่นแหละหลวงพ่อเทียนก็จึงออกน yeah. จากบ้านไปคิดว่าถ้าความโกรธมันไม่หายหไปนะไม่เข้าใจเรื่องอารมณ์ภายในจิตใจของตัวนีจะไม่กลับมาไม่รู้จักจิตใจของตัวเองเราก็ทําบุญทาทานตั้กระถิ่นละชั่วทําดีเรื่องบาปเรื่องชั่วในแมเวเลยกลัวตกนรกก็ทําแต่บุญทาแต่ความดีตลอด แต่ทำไมท้อสถิตมานานแล้วนีมันก็ยังมีอารมณ์แบบนี้อยู่ก็เลยเอาเงินส่วนหนึ่งออกจากบ้านไปแล้วก็ไปอยู่วัดนะจ้างก็ชงกาแฟจ้างก็ซักผ้ารีดผ้าจ้างก็ทําอาหารไม่กินจนสํานักก็เสียหายนะก็บอกเฮ้ยจะมาทําอย่างนี้ได้ยังไงนะก็อยู่เหมือนกับคนอื่นเขาดนะิจะอยู่พิเศษอยู่วิเศษวิเศษว่าจะบ้านได้ยังไง หลวงพ่อเทีนก็นเล ย, เยตั้งใจเปรียบธรรมยกมือนั่งสร้างจังหวะติงนิ่งติงนิ่งติงนิ่งพอมันยกไปยกมาก็ง่วงนอนสมัยหลวงพ่อเทียนก็ไม่มีพระครูบาอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่มาคอยขนาบคอยประกบหลวงพเทีนก็นเลยพอง่วงก็เดินกลับกุดไปนอนพอไปนอนปับ๊บ ก็เอ๊ะนี่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วจะมานอนได้ยังไงในตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติธรรมก็ลุกขึ้นอีกพอลุกขึ้นปฏิบัติงันกง่วงอีกะนอนอีกเป็นอย่างเงี้ยก็ ด, าด่าตัวเองเอ๊ะมันจะบ้าแล้วเนี่ยว่ามาปฏิบัติก็จะมานอนพอปฏิบัติงันกง่วงก็อยากนอนเอ๊ะมันจะบ้าแล้วเนี่ยพวดลุกปวดนั่งอยู่แล่วแหละ เอาอยากนอนก็นอนซะนอนให้อิ่มก็บอกตัวเองงั้นตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะตั้งใจไปแบบอย่างเต็มที่เลย mm. พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนอนกันนะพวกเรา mm. ไม่ใช่ mm. ฟังให้จบรู้ตัวเยนกันเลยเอา้าวไม่นอนแล้วต่อไปนี้พอลุกขึ้นมาตั้งใจเนี่ยยกมือติงนิ่งๆงนิ่ง ก็ไม่เอะใจอีกเอ๊ะ เ, เราจะท่องไปทำไมเนี่ยจะท่องไปทำไมเนี่ยบนไปทำไมติงต่งนิ่งติ่งนิ่งสัมผัสมันก็รู้สึกอยู่แล้วเนี่ยก็เลยนะเหลือตัดคำบริกรรมทิ้งไปเหลือแค่สัมผัสรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกสัมผัสสัมผัสสัมผัสยกไม่นานนะรู้รูกรู้นามขึ้นมา ใช้เวลาไม่นานเขาว่ากันว่าไม่เกิน24ชั่วโมงพอเข้าวันที่สองป๊บเนี่ยจบทั้งระบบเลยเหรียนจบทั้งระบบเลยอารมณ์ปฏิบัตินะก็เป็นเรื่องที่กล่าวฝันกัน หลังจากนั้นเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาต่ตางๆมากมายนะเผยแผ่จนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยอารมณ์จริมันมีอะไรอีกมากมายมเป็นรายละเอียดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการให้เราต้องให้ในสิ่งที่สมควรให้การละเทศฐานาานาฐานะอารมณ์เบื้องต้นเราก็แค่เอาไปแค่ว่ารู้สึกตัวจะรู้รูป ร, ร, รู้นาม ดูเท่ารู้ทันความคิด เ, เอาตรงนี้ก่อนถ้าถึงขั้นดูความคิดเห็นความคิดเนี่ยโหเราไม่ต้อานั่งรวมกันตรงนี้แล้วอยู่ที่ไหนมันก็เป็นตัวปฏิวัติไปหมดแล้วเราก็จึงไม่เรียกว่าย่อทหรือว่าติบตันรู้ตัวรำแล้วมันไม่รู้ว่าทำไปทําไม ถึงคิดว่าไม่รู้จะทำไปทำไมก็ทำไปเถอะนะแล้วเดี๋ยวช่วงที่จะกลับอีก2บวันก็ไม่ต้องทำ mm hmm. ก็ทิ้งไว้ที่วัดนี่แหละพอออกจากนรัว้วนอกวัดไปก็ทิ้งไมัน mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง mm hmm. ชีวิตของเราได้จริงๆหลายคนอย่างพระเจ้าเราฟังหลวงพ่อ คำเขียนต้นเทศอย่างนีนะ้ในภาษาตลอดน้อมเข้ามาท่านก็จะบอกสภาวธรรมนี่แหละตรงไหนตรงไหนตรงไหนเราก็กลับมาดูในตัวเราน้อมเข้ามาดูในตัวเราเราจะเห็นสิ่งที่ท่านพูดมีอยู่ในตัวเราสิ่งที่มีอยู่ตัวเราท่านกำลังพูดนะมันก็สอดคล้องกันท ร, รมาปฏิบัติ เวลาท่านแสดงธรรมท่านเห็นคนกาลังง่วงท่านก็พูดเลยแก้ให้เราหายง่วงถ้าเห็นเราปวดเราเมื่อยท่าจะพูดเลยแก้ให้เราผ่านตัวปวดตัวเมื่อยาม่าเช้าที่คุยกันคนตายเนื้อตุ่นลอยน่าดูท่านก็บอกเอาความเจ็บความปวด ออกมาเป็นตัวเป็นตนอย่างงี้พวกเรามันไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วเจ็บเห็นมันเจ็บมันไม่ใช่เราปวดเห็นมันปวดแก่เห็นมันแก่ตายสุดตายมันก็ต้องเห็นมันตายนั่นแหละอันนี้มันเกิดจากที่เรารู้สึกตัวจริงามันเกิดศีลขึ้นมาศีลคือความเป็นปกติมันเป็นปกติกายปกติเป็นยังไงนก็รู้จักไม่ปกติเป็นยังไงมันก็รู้จักไง จิตใจมเป็นปกติเป็นไงก็รู้จักไม่ปกติยังไงก็รู้จัก mm hmm. มันก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นเรื่องการใช้ mm hmm. ใจิตใจของเราเป็นมโนธรรมวจีธรรมกายธรรมธรรมกายเมื่อก่อนมันใช้เป็นกรรม mm hmm. มโนเป็นมโนกรรมกรรมดีกรรมชั่ว จปลวจีกรรมพูดดีพูดชั่วกายทำไปแล้วก็เป็นกายกรรมกรรมดีกรรมชั่วกรรมหมัดกับฟันกรมมีดกรรมไม้กรรมปืนกรรมพมลยรถยนกรรมสารพัดนั่นแหละก็เรียกว่าไม่หลุดไม่พิมุตหลุดพ้นเหมือนลิงกรรมถั่วก็ยเห็นไหมเคยลิงกรรมถั่วในพรานสมัยก่อนเนี่ยก็จะจับลิงก็ทำไง พักตายะเกลือมะพร้าวมาเสร็จแล้วก็ผ่ามะพร้าวตรงหัวหน่อยนึงพอที่มือลิงมันจะแย่ลงไปได้แต่เมืองทีมนุษย์ก็ฉลาดเอาเนื้อมะพร้าวไปกินหมดแล้วโดอแต่กะลาแล้วเอาถั่วใส่ไว้สักเม็ดสองเม็ดลิงก็สอนอยู่แล้วล่ะ แต่ล้วมันก็ามือล้วงกระแบบกระกถั่วมันสองมือนี่ยมันขึ้นต้นไม้มันทําอะไรว่องไวลิงอ่ะแต่เหลือมือเดียวอะครเนี่ยอีกมืองเป็นไงกําถั่วเอาออกก็ออกไม่ได้มันติดลูกกระพ้าวในพรานเห็นงั้นก็วิ่งไล่ลิงลิงไม่ยอมปล่อยถั่วมันไปไหนมันก็กําถั่วไปด้วยเหยาถั่วมันก็เลยต้องหิ้วลูกมะพ้าวไปด้วยก็เสร็จในพรานใช่ไหม เราเป็นครูได้ทันทีเป็นธรรมชาติดีกว่าไม่เป็นกรรมรู้สึกแบบธรรมชาตินะกรรมฐานทำให้เป็นธรรมชาติกรรมมัทฐานมันเป็นกรรมรอหันกรรมก่อไก่หันอากาศมอม้าที่เราฝึกกันอยู่นเป็นกรรมฐานเพื่อที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมชาติในตัวเราแต่บางทีนักกรรมฐานก็แบบ ลิงก็มีลิงปลูกมะพร้าวก็คือมนุษย์ปลูกมะพร้าวเนี่ยก็คือจะปลูกแล้วก็ฝังดินไปเลยใช่ไหมแล้วก็รอเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหลายๆเดือนเป็นปีเราก็เห็นความเจริญเติบโตของต้นมะพร้าวแต่ลิงเนี่ยมันไม่มีสมองมากลิงปลูกมะพร้าวเนี่ยมันก็ ปลูกแล้วก็โรบอยากกินผลมะพร้าวใไวนมันปลูกแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะถอนขึ้นมาดูออกลาก็ยังไหวแล้วก็ฝังฝังกลบไม่แม่มันก็จะถอนขึ้นมาดูออกลาก็ยังไหวไงนักปฏิบัตแบบเลิงปลูกมะพร้าวคือยกมือไปสักพักหนึง่งมันถึงไหนแล้ววัเนี้มันได้อะไรอย่างเนี้ย ยังไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์พูดเลยยังไม่เหมือนันที่เคยรู้มาเลยมีไหมมีไห ม, มเร่งดอกออกผลนะ่ะมีไหมมันทุกมากี่ปีกี่ชาติแล้วนะ่ะตั้งแต่เกิดถึงถึงทุกวันนี้ก่อนมาวัดนะ่ะปฏิบัติตอนนี้วันที่ห้าเจ้าอาหารหันเลยไมยโยมต้องคอเคตเพลงนั้นนะ่ะยกสะบัดอยู่นั่นแหละถามเพื่อนทนำะไมคอแคสบอกยกยกแรงยกแรง นะเพราะนั้นใกล้เป็นใกล้ไปกันพวกเราให้ธรรมะมันเหมือนกับการอาบน้ำํำเราอาบน้ําฟอกสบู่ก็ต้องทิ้งไว้นิดนึงให้สบูก่กขาทาปฏิกิริยานะกับตัวของเรานะจนขี้ไข่มันถูกปื้ดแล้วก็ร่อนออกมาอย่างเงี้ยต้องรู้จักนะการบ่มกล้วยกันเหมือนกันะให้เวลากล้วยนิดนึงเดี๋ยวมันจะเหลืองเองนะอันนี้ก็เหมือนการรู้สึกไปเรื่อยๆนะ รู้สึกไปเรื่อยๆกันลวกันแล้วนะลเดี๋ยวมันจะมีคำตอบออกมาหรอกว่าคืออะไรหลวงพ่อเตียนนี่ไวนะ้หริ่มาเช้าหลวงพ่อทันเทศนะทำจริงๆก็ไม่ได้ช้าอะไรหรอกทำจริงๆแยบใครก็เทีออยสักนิดนึงนะ่งนะขนาดที่นั่งเนะ่บางคนนี่ยกอย่างนี้เลยนะบางคนนะี <c> ่ <oughs> ยกทำอะไรฮะ เป็นจังหวะเนยเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดนะทำอย่างนี้นะอ ม, มีเวลาอยู่ตั้งแต่บัดนี้นต้นไปลองสังเกตยาไกายกันเองให้ดีอย่างนะี้นะอ่าวันนี้ก็พูดไปเห็นว่าสมควรเก็บเวลากราบราพร้อมกัน